สำหรับทุกสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็อยู่กับดิฉันและลุงยุ้ยค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีนะคะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาคจิตวิทยาคณะครุศาสิ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุย้ย สวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งสองสถานีด้วยครับผมค่ะลุงยุ้ยเผอแป๊บๆค่ะมิถุนายนแล้วมิถุนายนแล้วครับครึ่งปีแล้วนะคะช่วงนี้เดือนมิถุนายนเราก็เปลี่ยนเวลาออกอากาศนะคะลุง <ผม S 1> เป็นช่วงเวลาดีๆเลยทุกๆวันศุกร์คลสีขขล่นาฬิกาถึงห้าสี่นาฬิกาสาสนาทีถึงห้านาฬิกานะคะโอครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะอุงลุงตื่นเลยยังคะตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตอนนั้นก<ถ>ําลังตื่นพอดี <laughs> ตื่นมาเนี่ยยังไงจะ เปิดวิทยุฟังเราสองคนงงงนะครับไม่ได้เลยเนี่ยใช่หรือว่าจะเปิดทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะครับผมฟังเรื่องราวเจตวิทยาตอนที่ช่วงที่ตื่นมาเนี่ยอาจจะทําให้ฉุกคิดฉุกคิดอะไรได้อย่างนี้นะคะลุงนนค่ะแต่รัสัปดาห์ค่ะเรื่องราวที่เรามีมาฝากคุณผู้ฟังค่ะก็หลากหลายค่ะลุงครับผมสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่องอะไรกันดีคะลุงเอาเรื่องให้มันไฮไฮไฮเทคหน่อยไหมค่ะ เพราะอะไรถึงต้องคิดก่อนโพสต์เพราะได้ยินบ่อยเหลือเกินใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะใบางคนก็โพสต์ไปทาง facebook ทางไลน์นะคะโพสไปยังไม่ทันคิดอะไรแต่พอมาคิดเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วมันอาจจะสายไปแล้วเนาะเที่เขาบอกว่าที่เขาพูดบอกว่าอะไรนะคะเหมือนคําพูดเนี่ยเวลาที่เรายังไม่พูดเราเป็นนายมันใช่ไหมครับผมแต่ว่าเราพูดออกไปแล้วพูดไปแล้วเราอาจจะ เป็น้องรับผิดชอบใช่ต้องรับผิด ช, ชอบ <ๆ S 2> กับทุกคําพูดนะคะก็อยากใ ห, <พบ S 2> ให้คุณผู้ฟังเนี่ยจะระบายจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากที่จะให้คิดก่อนที่จะโพสต์ลงไปนะคะปกติคุณนุ้ยเป็นคนที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมคะอืต้องบอกว่าไม่ติดนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับเล่นได้ก็เล่นได้อยู่น้อยมากนะครับแต่ว่าก็ก็พอพอรู้เรื่องอยู่บ้างครับอืตุงชอบเล่นอะไรคะไล ne facebook ก็คง Facebook อะครับเทที่จะมีก็ม э ีบ้างนะคะนะครับแล้วลุงคิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ปัจจุบันนี้มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะลุงสำหรับวัยรุ่นอ่ะสำหรับวัยรุ่นก่อนถ้าสำหรับวัยรุ่นลุงลุงว่ามันสองด้านเนาะค่ะนะครับด้านที่หนึ่งก็คือถ้าเผิดอว่าเขาสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นค้นหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น อยากต่างจังหวัดไกลๆแป๊บเดียวแค่ไลน์ถึงกันแป๊บเดียวมันก็รู้เรื่องหมดแล้วส่งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆก็รวดเร็วนะคะสะดวกสบายนั่นคือข้อดีเนาะแต่ถ้าเผื่อมันเป็นอีกด้านหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นเห็นกันบางทีมันก็ลุงลุงลุงมีความรู้สึกอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะลุงมีความรู้สึกหลายหลายเรื่องมันเหมือนเป็นขยะเป็นเหมือนขยะคือยังไงคะลุงคือเหมือนกับเป็นเรื่องของของเขาซึ่ง อยู่ก็บ น, นดรามา่าที่เขาบอกว่าดรามาอะไรอย่างบ า, า, า, า ง, ะะางบทีก็ด่าคนอื่นใช่ บ, นบน่นไปมาปแล้วก็พิมพ์ใส่ไปนะแล้วอ่านเข้าไปแล้วเราก็ต้องงงว่า ให้เกิดอะไรขึ้นเหรอทําไมเขาไม่โทรไปด่าคนนั้นตรงๆเออถูกต้องนะครับ <laughs> เ, เขาอย่างนี้เขาใช้สื่อโซเชียลในการกระทบกระทั่งใช่ไหมคะใช้เป็นสื่อกลาง ใ, <ช>ในการเสีสีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะครับลุงลุงยุ้ยจะเห็นพวกเนี้ยในนักศึกษาไหมคะที่เวลาเขาจะโพสต์ ด, ด่ามาโน่นนี่นะมันทําให้เรารู้ไหมคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เห็นเห็นบ่อยๆมีอยู่อันนึงซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วมันทั้งตลกแล้วก็ ก็น่าสงสารเขาด้วยนะครับขอเล่าเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครอบเขานี่คือบ้านใกล้ๆเลือนเคียงเขาเองเนี่ยนะเขาาจะเขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดสี่วันเขาก็พิมพ์ลงไปในในนี้เลยเป็นลายเลยบอกว่าไม่อยู่สี่วันนะจ๊ะแล้วจะเที่ยวเพื่อแล้วเผอิญโจรเหรอโจรครับผอโจรมาคำมาปล้นบ้านอ่ะ อันเนี้มันมันแย่ล่ะถูกไหมล่ะคือบางทีไม่ควรจะโพสต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีความดีใจเหลือเกินจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเลยลงโพสต์เข้าไปโดยไม่ได้คิดถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วบางคนเนี่ยลุงเขาโพสต์กันทั้งไลน์ทั้ง facebook ทั้งอินสตาแกรมไอ้ที่เขาโพสโพสต์กันเนี่ยลุงคิดว่ามันมีความ จริงหรือว่ามันสะท้อนตัวตนของเขาแค่ไหนคะหรือว่าเขาโพดยังไงเขาก็เป็นคนอย่างนั้นเลยไม่ไม่ใช่นะครับในความรู้สึกของเอามองในแง่นักกวิทยาเนาะนะครับมองว่ามันมันเป็นเรื่องที่เขียนเพื่อเพื่อสนุกอะในความรู้สึกนะครับคงมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ถ้าแบดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงๆเลยเนี่ยคงคงไม่ไม่กล้าที่จะมาเขียนเพื่อให้สังคมได้อ่านหรือได้รับรู้หรอกค่ะนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องที่ แล้วกันเล่นแย่กันหรือว่าพอคนอ่านเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องแต่คนอีกกลุ่มอ่านแล้วเขาเข้าใจกันว่าอันนี้คือซิกแนวในในในภาษาของเขาก็เป็นไปได้ค่ะถูกไหมครับค่ะคราวนี้ก็หลายคู่เหมือนกันนะคะลุงที่เขาไปแชทกันในเฟซบุ๊กเออใช่ใช่ใช่กงานกันก็มีนะคะลุงครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะอยู่กันยืดยาวไหมก็ก็ดูรายการหนึ่งอยู่ไม่บอกรายการนะครับแล้วก็ถามทีไร เวลาคู่พิธีกรถามทีไรเขาก็จะบอกว่าเนี่ยรู้จักกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็เฮ้ยมันไปรู้จักกันยังไงดีจังเลยคือสําหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะคะลุงแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกันอีกทีทางเฟซบุ๊กนะคะมันก็เลยทําให้สามารถอะไรอย่าคุยกันถูกคอสามารถคบกันเป็นแฟนต่างคนต่างโซนอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ถ้าเผือว่ามันเป็นในแง่ดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้กัน ค่ะคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คิดแบบไหนก็จะโพสต์ลงไปแบบนั้นหรือเปล่าใช่ครับคือนะอันนี้คือจิตใต้สํานึกนะคะคแต่บางคนเขาก็สร้างภาพอะลุงคือเออเ อ, อาไปทําบุญ <laughs> บริจาคสิงคองอะไรอยจริงๆ <c oughs> เขาอาจจะเราอาจจะไม่ได้คิดลบนะคะแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทั้งหมดแต่ภาพส่วนใหญ่ที่ภาพจําที่เราเห็น <c oughs> เขาเป็นแบบนั้นมันก็สามารถสร้างภาพรักได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแม้กระทั่ง นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยสิ่งที่เราสึงที่ลุงเห็นบ่อยๆไม่ใช่แต่เรื่องชีวิตประจําวันหรือเรื่องสังคมแล้วนะค่ะเป็นเรื่องการเมืองการเมืองก็มีม facebook ที่จะประกาศให้สังคมได้รู้เลยว่าฉันจะทําไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นฉันโดนทํำทร้ายโดนรังแกนะอะไรอย่างเงี้ยอืนะะนะครับก็ใช้สื่อพวกนี้ในหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะใช่ครับ วัยรุ่นนักศึกษาส่วนใหญ่ค่ะลุงลุงว่าเขาโพสต์หรือว่าเขาสนใจเรื่องอะไรกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวเองไหมคะสนใจเป็นเรื่องของตัวเองเขาจะโพหน้ า, อาของตัวเองสวยๆเหรส่วนใหญ่หไม่ใช่อาริวิตี้อะไรก็แล้วแต่เช่นเอ า, เอา ง, ง่ายๆเช่นแต่ตัวเองสวยขึ้นก็นทายค่ะตัว เ, เองอ้วนอ้วนมานิดเดียว ก็ไทยกรุ้วนเหลือเกินเลออยเง้ขาจะใช้ศัพท์นะที่แท้ทูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ลุงก็จะได้เห็นศัพท์ไม่รุ่นเยอะแยะมากเห็นศัพท์เยอะขึ้นมากแล้วแล้วที่สําคัญอันนี้ต้องต้องบอกน้องทีและท่านผู้ฟังเลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้จริงบางทีส่งรูปมาแทนคําพูดอืเช่นเราพิมพ์อะไรไปตื้ดตื้ดตื้ส่งรูปมาแล้วก็ต้องถามตัวเองว่ารูปอะไรวะมันแปลว่าอะไรวะ ไม่รู้จริงๆลุงอาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะไอ้คันที่เราจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าส่งอะไรมามันก็จะเสียฟอร์เหมือนกันเนอะบางทีเด็กๆเขาก็จะส่งอะไรต่ออะไรเลยเด็กเขามีอย่างนี้เยอะมากครับนักศึกษาเยอะมากเลยที่เป็นแบบนี้ก็ถ้าเราโพสหน้าเราบ่อยๆเราสวยอย่างนู้นสวยอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนโงตัวเองไหมคะลุงอืมไอ้การเวลามีคนมากดไลค์ลุงคิดดูว่ามันเช็คย้อนไลค์แต่แรกแล้วว่าไอ้การที่คุณทําอย่างเนี้ย คุณคุณก็เป็นการเรียกร้องความสนใจอย่าเรียกว่าหลงตัวเองเลยะนะครับเรียกร้องความสนใจปร ะ, ประการหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นเขาได้เข้ามาจะชมหรือติก็เหอะอย่างน้อยก็ได้มีการเคลื่อนไหวของตัวเอง นะคะคมีฟิทแบ็กบางทีเราก็<ช>จะดูว่ามีเราอยู่ในความสนใจไหม ย, ยอดไลค์เป็นอย่างไรนะคะคก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะลุงคือช่วงแรกเราพูดกันเรื่องของการโพส์ลงโซเชียลต่างๆนะคะความคิดนะคะลักษณะของวัยรุ่นที่เขาโพสต์กันเดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อนแล้วกันนะคะลุงแล้วกลับมาต่อกับช่วงที่2ของเรากันค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายรยราั ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม AMJT moving towards innovative university เธอยังจำวันเหล่านั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกันเธอยังจำเพลงเพลงนั้นได้หรือไม่ เพลงที่พูกใจเราไว้แต่วันเวลาอาจทำให้เราหันหางอาจลืมมันไปในบางครั้งแต่การเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยิง่งแพร่คว่าผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันลอยหลงไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลา นมุนไปทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลนี้เมือ่อใดที่รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่ห่วงเธอทุกทุกเปลืงราทุกทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมือ่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเสมอ ฉันยังจำวันเหล่านั้นได้ดีจำเพลงที่เราร้องด้วยกันไม่ว่าเดือนปีกี่หนาวัดผ่านฉันยังคงเก็บมันไว้แต่บางเวลาอาจมีที่เราต้องหหางอาจลืมมันไปในบางครั้งแต่กาลเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่าง เพียงแคความผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันลอยลองไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปให้ทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดให้รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่ห่วงเธอทุกทุกเรื่องรทุกทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร ได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมือ่อใดรู้ฉันอยู่ข้างข้างสมา เปลี่ยนทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดที่รู้ว่ายังมีใครอีกคนทุกทีที่เธอนาทุกทีที่เธอยาจะมีฉันอยู่ตรง ได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นมือได้ให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเพลงนี้ดังขึ้นมือได้ให้รู้ถ้ามีฉันอยู่สมย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 เพราะอะไรเราถึงต้องใช้เราต้องคิดก่อนที่จะโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะลุงก็หลากหลายเลยอย่างผู้สูงอายุอะค่ะลุงบางทีเขาก็โพสไลน์ตอนเช้าสวัสดีวันจันเออเออสวัสดีวันจันค่ะวันพล้าแล้วนะอะไรเนี่ยธรรมวสสวัสดีธรรมวสสวัสดีแล้วเขาส่งทุกวันด้วยนะคะลุงสม่ําเสมอลุงเป็นไหมคะลุงลุงลุงไม่เป็นแต่ลุงมีความรู้สึกว่ามันมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่สูงอายุเนี่ยเขาก็ได้ใช้ ใช้เครื่องมือสื่อสารแบบนี้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออฉันคันก็ก็ทันสมัยอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับก็บางทีเขาก็ส่งมาถ้าเราเป็นคนรับอันนี้ที่พูดถึงตัวทีนะคะบางทีเากาส่งรูปพร ะ, ะบางทีก็พยายามจะสาธุตลอด อ, อ, อนุ<ช>โมทนาบุญค่าสาธุค่านนก็มันทําให้มันทำไม่ยังไงลุงไหมคะลุงทําให้เขาส่งมาอีกเรื่อยๆเอาใช่แต่ว่าบางที <c oughs> เราเรา นึกไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรเนาะมันไม่ใช่เขาคือเขาส่งมาประจําเราก็ควรจะมีตอบกลับไปบ้างแต่พอเราตอบกลับไปปั๊บเนี่ยมาอีกเยอะเลยมาอีกเยอะเลยคะ่ะลุงก็สาทุกไปนะคะบางทีเขาก็ให้พรน่ะถ้าไม่ได้อะไรมากนะคะลุงคะ่ะเรามีเหตุผลอะไรบ้างคะที่ไม่ควรระบายทุกเรื่องของเราเนี่ยลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กพวก Facebook พวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโพสต์ลงไปเนี่ยอันแรกเลยลุงคิดว่าบางทีเรื่องส่วนตัวเนาะ แล้วการที่พิมพ์คําสั้นๆ ซ, ซึ่งซึ่งมันไม่ละเอียดอ่ะค่ะถูกไหมครับแล้วไปตีความกันเองอันนี้ลุงถือว่าไม่ไม่เข้าทา่านะครับสำหรับลงุงคเพราะมันมันมันทำให้คนตีความแล้วตีความผิดก็ได้ะนะครับเพราะนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือบางคนก็พยายามเรียกร้องความสนใจเออกูรักมึงนะคิดถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณก็โทรศัพท์ไปบอกเขาเลยไม่ดีกว่าหรือ <น S 1> ไนะิดถึงเออนะครับคุณอย่าคิดว่ามันจะมีเพื่อนแท้อยู่ใน a ฟ e b o o k นั้นเลยบางน ค, บคนเขามาคอมเมนต์สู้ๆนะคะอเออแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้รู้จักกับเรานะน่ะอืบางทีเราก็อาจจะ ไม่ได้อินกับเขาอะลุงไม่ได้สนิทกันไม่เหมือนเพื่อนเราที่แบบเออศร้ามาแล้วโทรไปปรับใจมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกต้องครับมันจะรับรู้ความรู้สึกได้มากกว่าเพราะฉะนั้นลุงก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างสร้างสถานการณ์เพื่อให้ตัวเองได้รับความสนใจไงนะครับแล้วก็เป็นอีกคอหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็สักพักหนึ่งก็หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโพสออกมาเป็นเรื่องที่ดีมันก็ไม่เป็นไรนะเอาใช่ครับเนี่ยนะครับหรือว่าเนี่ย เพิ่งฟังข่าวเมื่อกี้เนี่ยมาเร็วๆนี้บอกว่า<ะ>ดาราโพสต์ถึงลูกตัวเองเลี้ยงลูกอย่างนี้ลูกนี้แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก<ะ>ปรากฏว่าคนมาโจมตีกันแหลกลานเลยอจนดาราคนนั้นต้องบอกว่าขอโทษนะครับคุณอย่ามองแค่ว่าหนาทีที่ดูในโพสต์ผมผมเนี่ยแล้วปรากฏว่าผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆค<ะ>อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมั น, ม, นมันต้องการรายละเอียดมากกว่านั้น บางทีมันเป็นแค่สั้นๆคำโพสมันอาจจะใช้คําพูดซึ่งมันอาจจะโดนใจสั้นกระทัดรัดแต่ความหมายบางทีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะลุงใช่ครับใช่เลยครับมันสื่อความหมายผิดไปใช่ไหมคะครับผมอืมก็ตอนแรกลุงบอกว่าเออบางทีเราก็ไม่ได้มีเพื่อนแท้ในเฟซบุ o กนะคะหรือว่าการเขียนโพสต์บางทีมันก็สั้นๆงๆ่ายๆก็บอกไม่ได้หรอกว่าจริงๆเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงใช่ไหมครับแล้วมีอีกไหมคะลุงอีกอันหนึ่งที่ลุงไม่อยากให้เขียนเลยหรือว่าอ่านแล้วไม่ชอบเลยคือ บางทีคุณเอาความต้องใช้คำว่าความห่วยแตกของสิ่งทิ่นเรื่องแย่ๆต้องไปบอกใครก็ได้ <c oughs> เก็บไวนะ้ได้ถูกต้อง <c oughs> นะครับและยิ่งยิ่งถ้าน้องทีคงเคยเจอนะครับ <c oughs> จะเขียนมันจะมีคำ <c oughs> ที่มันเป็นคำคาเหมือนๆกันหมดน่ะนะครับ <c oughs> แล้วก็เอามาลงด้วยกันอย่างเช่น เมื่อไหร่กูจะมีผัวสักทีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโอ้ยพอลุงเห็นแล้วลุงก็ลุงก็คิดในใจบอกว่าก็ ก, ก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันมี อ, ะอ่ะคืออันนั้นจะเป็นเด็กไหมจะเป็นกลุ่มแบบวัยรุ่ น, นจะเป็นกล <ไว S 2> ุ่มวัยรุ่นเขาก็จะโพสกันแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันสะใจสนุกสนานมันสะใจถูกแต่ถ้าอีกวัยหนึ่งอย่างเรามองเป็นไงคะลุงครับเรจะรู้สึกอย่างที่บอกคิดได้ยังไงนี่ใช่คิดได้ยังไงเนี่ย กล้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ <Yeah. S 2> ยเห็นไหมเขาว่าแต่เราช่วงไวเขาก็าจะมอง แตกต่างกันนะแล้วเวลาที่เรามีเรื่องแย่ๆเอาเวลานั้ยนั่งไปแก้ปัญหาดีกว่าใช่เนียกว่าไปโพสลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเร่งก็ไม่มีคนที่จริงใจที่จะมาช่วยแก้ปัญหาหรือตอบปัญหาจริงๆสุดท้ายอาจจะต้องเป็นเรานี่แหละที่พึ่งตัวเราเองนะคะถูกต้องครับหรือไม่ถ้าเรามีเรื่องแย่ๆเราโทรไปหาเพื่อนไปปรึกษาเพื่อนคนที่เราไว้ใจได้ระบายได้หรือพ่อแม่ล่ะดีที่สุดค่ะบางทีก็จะช่วยช่วยแก้ปัญหาได้มากกว่าใช่ครับมีอะไรอีกไหมคะรุง อีกสักข้อหนึ่งอย่างเช่นบางทีเนี่ยนะครับมันต้องถามตัวเองก่อนว่าไอ้สิ่งที่โพสต์ไปเนี่ยมันสร้างสรรค์หรือมันทําลายวะค่โพสไปวันๆหนึ่งวันนี้ก็จะโพสต์วันนี้ก็จะโพสต์นะครับเหมือนกับเหมือนกับจะสร้างสรรค์นะแต่บางทีบางทีก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะก็อยากตอบอยู่เหมือนกันเอาอีกแล้วอ่ะเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเหมือนเดิมอีกแล้วเหรออืมคือมันต้อง บางทีเขาคิดว่ามันดีสําหรับเขาไงคะใช่ครับใช่แต่ว่าคนคนอื่นอาจจะอาจจะมองแล้วมันรู้สึกว่ามันมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับางทีอาจจะต้องคิดอะไรนิดนึงอย่างวันก่อนเราโพสต์แบบนี้ไปละอืวันนี้เราควรจะโพสอะไรไม่ให้ซ้ํากับวันก่อนไหมถึงว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีๆนะใช่ในะคะเพราะว่าบางคนเขาก็มี FC นะลุงบางทีเขาก็มีติดตามถ้าถ้าเราโพสตแต่สิ่งที่ดีๆคิดบวกอย่างเงี้ยนะคะครับผมมันก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ใครได้นะคะเห็นมีข่าวหลายๆคู่คอะลุงในใน Facebook ที่ตอนแรกเราก็พูดไปแล้วลหละว่าเขาเจอกันลุงก็บอกมั น, นกเกิดขึ้นมาได้โ อ, อ้แต่เขาก็เลิกกันได้ง่ายมากลุ ง, ล, ง, ล, งลุงคิดว่าเพราะอะไรคะมันาฉาบเฉวยไหมมันสั้นหมครับความฉับเฉวยนั่นคืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเราไม่รู้จักรู้ใจกันเลยเราดูแต่หน้าตาขนาดเดียวกันบางคนเนี่ยอย่างที่ทั้งที่เคยได้ยินมลรซีบอกว่าเออหน้าไม่เหมือนโปกอะ <laughs> ค่ะเพราะนั้นมันมันไม่ใช่รูปนั้นนี่หว่าแล้วคุณก็มาบอกมาว่าเพเดี๋ยวนี้ฉันอ้วนขึ้นมาหน่อยนึงมันไม่หน่อยมันเยอะมากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคเราเห็นแต่รูปรักภายนอกใช่ไหมครับแล้วพอมาเจอกันจริงๆด้วยนี้ใส่ใจคอเวลาที่จะคุยกันจะอะไรกันเนี่ยรูปใครๆก็อยากจะลงแต่รูปที่ตัวเองสวยๆดีๆนะครับเดี๋ยวนี้แอปมันช่วยได้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็ คนที่รู้จักกันทางโซเชียลเราก็อยากให้เขามองเราในแงด่ดีเราก็จะโพสหรือทำอะไรให้เห็นแต่สิ่งดีดแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆลุงสา0รอองศานะ ม, นมันไม่ใช่สักค<ง>ักก็อาจจะแยกย้ายนะครับมันไม่ใช่แล้วก็มันก็จะมีโอกาสที่จะเลิกลากันได้เร็วกว่าคนที่พยายามจีบกันมาเป็น3ปี5ปีเนาะการสื่อสารแบบ Face to Face แบบเจอกันเลยคะ่ะลุงมันดีกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงคะ ผานทางโซเชียลอย่างไรมันแน่นอนนะครับคือการที่บางทีเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยถ้าเราเจอหน้าเจอกันตรงๆงตัวเนี่ยนะครับหรือเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยเราวองแววตามองสีหน้าท่าทางเขาเนี่ยเราพอจะรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรค่ะ<า>แต่ถ้าเบอกว่าในเฟซเนี่ยคุณจะเขียนยังไงก็ได้อช่ครับรคุณจะเขียนยังไงก็ได้ไดถูกต้องคุณจะหารูปเนี่ยอันนี้เป็นอีกอางานหนึ่งที่ลุงต้องบอกว่าโอ้จริง ไบ า, บางทีเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วเราก็พิมพ์ไปบอกว่าโอ้ยไปเที่ยวไหนมาน่าสนุกจังค่ะ<า>เขาพิมพ์กลับมาว่าเมื่อสามปีที่แล้วครับ <c oughs> ลุง <c oughs> บางทีก็ไปกดอย่างเดียวก็ได้ะจะไปทุกเมตตาไหมคืองงๆเราก็เก็บไว้ลุงงงแบบเห็นลุงไม่มเราเราเห็นว่าคนนี้ไปเราก็แสดงความยินดีครับอกลายเป็นว่าเราโง่ไปเลยอ่ะ ก็บางทีเขาอาจจะต้องการสื่อความหมายอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมองอีกอีกอย่างหนึง <c oughs> <c oughs> ่งถือว่ามันก็เกิดขึ้นได้ถ้เป็นเองของโซเชียลเน็ตเวิร์กสุดท้ายค่ะลุงอันตรายจากโซเชียลเน็ตเวิร์กลุงว่ามีอะไรบ้างที่อยากลุงอยากจะเตือนคุณผู้ฟังนะคะก็อย่างที่บอกนะครับบวกมันก็มีอยู่เยอะเนาะ<ห>แต่ขณะเดียวกันลบมันก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดการเสแสร้งแกล้งทําการแม้กระทั่งการที่ถูก ทำร้ายร่างกายค่ะหลอกไปก็มีนะคะอ่ะใช่หลอกหลอกกันเงินโอนเร็วค่ะลูกเออใช่ใช่่ค่ะหรือแม้กระทั่งชื่นอกชื่นใจในหน้าตาเึ่งกันและกันพอไปเจอกันจริงโดนฉุดเข้าโรงแรมนะครับเพราะนั้นมันมันมันก็มีลบอยู่เหมือนกัน อย่าคิดว่ามันบวกอย่างเดียวคือถ้าเห็นหรือว่าได้ได้อะไรมาอย่างเงี้ยนะคะโพสต์หรือใครส่งอะไรมาจะคุยกันอย่างเงี้ยก็ขอให้เชื่อสักครึ่งหนึ่งทําใจไม่เชื่อสักครึ่งหนึ่งหรือว่าจะปรึกษาหรือว่าจะถามจะบอกเพื่อนอะไรก็ได้อย่าปักใจเชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าอันตรายมันก็รอบด้านจริงๆบางทีรู้จักกันรู้หน้ายังไม่รู้ใจเลยลุงถูกต้องครับอันนี้ไม่ไม่ได้เห็นตัวกันเป็นๆเลยนะคะก็เอามาเตือนคุณผู้ฟังกันค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะลุงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะ กลับมาพบกับเราได้ใหม่ค่ะในทุกๆวันศุกร์ตีสีครึ่งถึงตีหนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันธีราวา ด, ดียิ่งมีค่ะลุงยุยนัตพง์ชูไทยครับผมนางคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยา ก, กับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรม